อันดับแรกของการปฏิบัติก็เหมือนกันทุกอย่างอันดับแรกคือหนึ่งรู้ลมหายใจเข้าออกอันนี้ทิ้งไม่ได้ดีกว่าจะถึงนิพพานถึงแม้ว่าเป็นพระรหันก็ยังต้องใช้พุทธเจ้าเองก็ใช้เหมือนกันเพราะเป็นกรรมฐานใหญ่เป็นังกรรมฐานทีงัดทุกเวทนาของร่างกายถ้าทุกเวทนามีมากเราก็จักนาปาทสติหรู้ลมหายใจเข้าออก ถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิทุกเวทวนาจะเบามากถ้าจิตเข้าถึงฌานจะไม่รู้สึกไม่รู้สึกทุกเวทนาเลยวันนี้ก็อ น, นีมคอไม่ดีเหมือนกันขั้นระดับแรกขอบันดาเป็นพืทธสั์กําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเขา้ารู้อยู่หายใจเขา้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวรือสั้นก็รู้อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยู่อันนี้เป็นแบบของมาหาเุวทานาุสูตร นอกจากนั้นก็ใช้ภาวนาควบสําหรับขั้นต้นคำภาวนาไม่จํากัดจะภาวนาว่ายังไรก็ได้ตามใจชอบเพราะว่าท่านนองหลายที่เคยปฏิบัติมาจากที่อื่นเคยภาวนาแบบไหนคล่องตัวแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสำหรท่านที่ไม่เคยภาวนามาก่อนให้ใจคำภาวนาพุทโธให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทธใจออกในพุทโธสำหรับท่านที่ได้มาโนยิี่ที่แล้วก็ใช้แต่อารมณ์ของท่าน ตามใจชอบกลวงความว่าไม่ขัดใจกันนะนี่เป็นรดับขั้นต้นแต่ว่าการปฏิบตัติขบรนดาเป็นบริษัทต้องระวังอย่างยิ่งคือนิบอนคำนิบอนนี่แปลว่าทีเรศ ย, ยาที่ทำปัญญาให้ถอยหลังนั่นหมายความว่าขณะใดาที่นิบอนครอบงมใจเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญา ที่ในหนึ่งนั่นแปลว่าตีเหล็กคือตีเลคือก้นความดีคือความดีจะเข้ามาถึงตีถอยหลังไปสำหรับจีวรมีห้าอย่างหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความง่วงสามความจากได้ทรัพย์สมัยเขาบุกอ่นใดโดยไม่ชอบทมและสี่จิตฟุ้งซ่านห้า อรรารมณ์สี่จิตฟุ้งซ่านห้าสงสัยในผลการปฏิบัติเอางี้ก็แล้วกันนิวรณ์ห้าอย่างในเรากันมันไม่ได้ถ้าถามว่าจะทำลายมันได้ไหมก็ตอบไม่ได้เพราะท่านยังไม่เป็นพระอนาคามีเพียงใดยังไม่สามารถทำลายนิวรณ์ได้เลยถ้าเป็นพระอนาคามีก็ตัดนิวรณ์แค่สองตัวคือหนึ่งกรรมปัจจันทกับราคะ ถ้าหากว่าเป็นพระอาหารหันต์ก็ตัดเจตนานต้งห้าตัวนั้นนั้นระหว่างที่ตัดไม่ได้เราก็จะอาการยับยั้งช่วขณะหนึ่งสมมติว่าถ้าเราจะรู้ลงไว้ใจเข้าออกกับรรมมนาแล้วก็ตั้งใจว่านับแต่เวลานี้เป็นต้นไปเราจะรู้ลมไายใจเข้ารู้ลมหายใจออกถ้ารู้คำบรรณ า, ม โ, มาดโดยเฉพาะจะไม่จิตไปสนใจกับอย่างอื่นแต่เราจงอย่าลืมว่าสักปรเดี๋ยวเดียวจิตก็เผลอที่บอลก็เข้ามาขวนใจ มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกนี่เป็นของธรรมดาถ้ารู้ตัวใหม่ก็เริ่มต้นมาตั้งต้นใหม่ทำแบบนี้เป็นยภหวะไปแพ้มันบ้างชนะมันบ้างเป็นของธรรมดาแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆนองนเข้านั้นที่สุดเราก็ชนะมากกว่าแพ้เราแช่รมดีกว่าไม่ดีมากกว่าไม่ดีนั่นทำสำหรับท่านผู้ทรงฌานทุกคน จะสามารถชนะนิวรณ์ได้เฉพาะในเวลาที่ส่งฌานเท่านั้นเมื่อออกจากฌานแล้วนิวรณ์ก็คลัวน ใ, นใจตามเดิมเป็นของธรรมดาแต่ว่าผู้ที่มีการเข้าในการส่งฌานเขาสามารถชนะนิวรณ์ได้ทันทีทันใดเวลานี้ต้องการเข้าฌานทีหนึ่งทีสองีสาทดีสี่เขาได้ทันทีเวลานั้นจิตจะหยุดจากนิวรณ์นิวรณ์ไม่สามารถคลัวน ใ, นใจได้เพราะฌานเข้าไปสิง เมื่อทายคลาตัวเมืไรนี่รอนก็โกนใจมานั้นอันนี้เป็นของธรรมดาไม่น่าตำหนิกันก็เป็นว่าการรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีการค่ใช้คำภาวนาก็ดีในการฝึกเรามีสติสัมปชัญญะสติคือความรู้สึกสติคือการนึกได้สัมปชัญญะคือการรู้ตัวเรานึกว่าเราจะภาวนาเราก็ภาวนาขณะที่ภาวนาไปมันผิดหรือถูกเรารู้อันนี้เป็นสัมปชัญญะ ตันึกเป็นสติถ้าเรานึกจะรู้ล ง, ลง ใ, ใจเขาออกตัวนี้เป็นสติถ้ารู้เร า, ล ง, เาลงใจเข้าเรื่ใจออกเข้ายาวหรสั้นออกยาวหรสั้นตัวนี้เป็นสม ป, ปจัจจยะเป็นการลดตัว <c oughs> การฝึกต้องฝึกไปเรื่อยๆก็มีหลายคนมาบน่นบ่จิตมันฟุ้งซ่านไม่สามารถจะทรงจิตให้เป็นฌานได้ไม่สามารถจะทรงจิตให้เ ป, าาเป็นสมาธิได้อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นของธรรมดาทุกคนเหมือนกันหมด ถ้าเราจะชนะได้จริงๆต่อเมื่อเป็นพระอาจายเจ้าข้าอาาคารมีในท่ขึ้นนี้เขาได้สองตัวตัวเองนะก็เรียว่าอันดับต้นธรรมดาแตพุทธริษัททุกคนรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก่อนหลังจากนั้นก็ภาวนาเมื่อภาวนาแล้วขณะที่จิตภาวนาตกไปการภาวนาบาทีจิตมันมีการทรงตัวดีเแล้วจิตมันลดสมาธิมันลดตัวลง เมื่อมอสมาธิลดตัวลงแล้วก็เริ่มพิจารณาการพิจารณาวันนี้ให้ใช้อรูปฌานการเรียนอรูปฌานเป็นของไม่ยากตามที่พระเจ้าส อ, สอนพระเจ้าเคยแนะนำกับพรามพรามถามว่าการต้องการจะปานิพัน์ทำยังไงพระเจ้าสรแนะนำให้พิจารณาอรูปฌานอรูปฌานามีสี่แนะนำอย่างเดียว ค, คือว่าอากินญาญายยตนะ ก็เหมือนกับเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ท้ายสมาธิฐานปฏิปทาฐานสูตรนะไม่ต้องการร่างกายภายนอกไม่ต้องการร่างกายภายในไม่ต้องการร่างกายของใครทั้งหมดไม่ต้องการวัตถุธาตุใดใดทั้งหมดอย่างยาวไปแล้าหแบบอากินยัจระรังชานก็เหมือนกันเขามีความรู้สึกว่าโลกนี้ทั้งโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีต้องมีอันจะต้องที่หายไปหมด สับปรีนะไม้คอพังหมดคนเกิดมากี่คนก็ตายสัตว์เกิดมากี่คนก็ตายพระถุธาตุทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วแบบนี้เบื้องต้นนายเข้ากเก่าดังนั้นสุดก็พังเหมือนกันมัน ไ, ไม่มีอะไรเหลือในเมื่อโลกนี้หาของเหลือไม่ได้ไมันมีการทรงตัวเราจะต้องการอะไรกับโลกนี้ต่ อ, ตอไปสิ่งที่เราต้องการนั่นคือนิพพาน การจะไปในภัยเขาทำยังไงความจริงก็ไม่ยากเอากันยาวๆนะยาวๆๆหนึ่งตัดโลภะความโลภสองตัดโทสะความกโกรธสมตัดโมหะความหลงให้อย่างยาวตัดโลภะความโลภโดยการให้ทานการให้ทานกับคนการให้ทานกับสายการถวายทานกับประสงค์นี่ป็นตัเป็นการตัดโลภะความโลภ เราให้ครั้งหนึ่งความร่วงกระขาดไปชิ้นหนึ่งเจ้าทั้งให้บ่อยๆมีอารมณ์ชินอารมณ์ชินเป็นจากคานรู้สึกรรมฐ า, านนึกอยากจะให้ให้อยากจะสงเคราะห์ถ้าว่าจิตคิดอยากอยากสร้างสมบัติของใครไม่มีในเราอย่างนี้ถือว่าทานอภัรำมีเต็มตัดได้หนึ่งตัวใช่ไหม ในการที่จะมีธานมันจะมีเต็มได้ต้องอาศัยคุณธรรมสองอย่างคือหนึ่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสารถ้าเราไม่รักหรือเราไม่สงสารเราให้ไม่ได้แล้ว เ, เกลียดเราไม่ให้ใช่ไหมในเมื่อต้องมีคุณธรรมสองอย่างคือเมตตาความรักกุณาความสงสารถ้าคนหรือสัตว์ที่เรารู้จักอยู่เราต้องรักมันเราจรึงให้สัตว์ที่เราสัตว์หรือคนที่เรารู้จักอยู่ก็ดีไม่รู้จักก็ตามแล้ว เ, เกิดความสงสารเราจรึงให้ แในเมื่อคนทำสองอย่างนี้มีขึ้นสามารถให้ฐานได้สิ่งก็ทรงตัวขินเป็นปัจจัยตัดโทสะความือคาโกรธเพราะขินจะมีอยู่ได้เพราะอาศัยหนึ่งเมตตาความรักสงสาความสงสารเหมือนกันใช่ไหมเมื่อตัดโลภะได้แล้วโทสะก็สลายตัวหายไปเมื่อโลภะความโลภโทสะความโกรธสลายตัวความหลงก็อยู่ไม่ได้พัง เกาอีสามขาหรือขาเดียวเนี่ยมันตั้งไม่ได้ใช่ไหมตัดไม่ยากการตัดบุหกความหลงก็ใช้พิจารณาตามความเปจริงนะอากินจัญยายเจะาตานรชานอันนี้เตียนสูงหน่อยนะฮารูประชานโก้เลยนะ <c oughs> ให้มีความรู้สึกตามความเปจริงว่าเราก็ดีเขาก็ดีตายหมดคนที่เราหวังเป็นที่พึ่งของเราไม่ช้าเขาก็ตายถ้าเขาไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อน มันต้องตายฝ่ายใดฝ่ยหนึ่งไม่โลกนี้ไม่มีใครเหลือ <c oughs> แต่ถ้าตายไปแล้วถากลับมาเกิดใหม่ความทุกข์มันก็เกิดอีกกฎของกรรมมันดาท่านพุทธวิษัทน์เยริมามันติดตามเราอยู่เสมอทั้งกรรมดีและกรรมชั่วท่านนลายที่มานั่งที่นี่ได้เพราะสายกรรมดีจะใช่ก่อนให้ผลกรรมดีของท่านเคยปฏิบัติมานานแล้วหลายแสนชาติ ให้ผลยังสามารถมานั่งทนทรมานได้ก็เป็นว่ า, าอาศัยความดีความบุญเก่าเพื่อบุญเก่าแล้วกันนะพูดถึงความดีจะไม่หดใจเพอะว่าบุญเก่าให้ผลเจ้าลั่งทนอยู่ได้ตอนนี้คนเราเกิดมาทุกทั้ ง, ท, ง, ท, งทุกชาติเราไม่ทำแต่ความดีความชั่วคือบาปเราก็ทําถ้าเราตายจากชาตินี้ไปความดีก็ตามเราไปด้วยความชั่วคือบาปก็ตามเราไปด้วย นี่ถ้าเราไปเกิดใหม่อีกความดีก็ไปให้ผลมีความสุขไอ้บาปก็ไปตามให้ผลมีความทุกข์จต่ราที่ทานห้ฟังทงเรื่องหรืแม่มีเรื่องปรากฏในพระธรรมบทในสมัยที่พระเจ้าจยทรงพระชนอยู่เวลานั้นครั้งหนึ่งพระเจ็ดองค์พอออกพรรษาแล้วตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมครูคือพระพุทธเจา้าเมื่อเดินไประหว่างทางก็เกิดการค่า ม่าถ้ำแล้วก็พักพักในถ้าตอนเชา้าก็ออกมาบินาบาตรญาติโยมเห็นพระก็ดีใ จ, จก็พากันใส่บาตรเมื่อรับบาตรแล้วทุกองค์ก็มากลับมาฉันในถ้าพอเข้าถ้าปรากหินก้อนใหญ่ปิดประตูถ้ำมันกรึ่งมาปิดทีไรถ้าถ้านเจดโองค์จะผักใส่เท่าไรมันก็ไม่ออกตอนเชา้าญาติโยมเห็นพระหายไปก็มาดูเห็นหินปิดประตูถ้าก็พากันดึงหินบ้างดันหินบ้าง ทั้งหมู่บ้านไม่สามารถจะช่วยกันได้เป็นอะไหินก้อนใหญ่นี่บังหน้าท่านอยู่เจ็ดวันถ้าถึงวันที่เจ็ดพันไปถึงวันที่แปดมันก็คลายทานออกไปเองไปข้งมันเองนะพระกับกระบอกกระเบื้องเจ็ดวันแยกกันนะถ้าเข้าในโลกท่านสมาบัติก็ค่อยชั่วนั่งหิวอยู่เจดวันนั่งหิวนอนอยู่ไปไหนก็ไม่ได้น้ําก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กิน แในเมื่อออกจากถ้ำแล้วบรรดาญาติยองพุทริสัทธ์เลี้ยงพงศ์ร่างกายมีกำลังดีก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะที่ไปเฝ้าพระเจ้าก็ปรากฏว่ามีพระธันฐานปรากฏของกรกรมหลายอย่างที่ท่านประสบมาไม่ใช่คณะนี้นะคณะเองถามถึงกาที่บินมาในอากาศไอเสเวียนที่เขาลองมอ้มอหม้อข้ามันติดไฟลุกลงตีเท่เาไร่กระไรกายเอาคอคอคล้ อ, องเขาพ อ, อดีบ้าง ถมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นพัญญาข้างในในในเรือสะพาต้องถูกจับโจนที่น้ําบ้างนิดเป็นต้นเพราะอาศัยกรรมอะไรพระเจ้าก็ทรงตอบแต่สองเรื่องนี้ยังไม่ตอบใครทราบพระทั้งเจ็องค์ไม่เห็นเขาถามก็แบบนั้นพระเจ้าก็ทรงตอบก็ยังถามบ้างว่าพันพเตภะกวาข้าแต่องค์สำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าเองก็มีกรรมเหมือนกัน อย่าลืมนะเออดว่าเป็นคนเป็นพระมีมีกรรมนะก็ไม่ทราบว่าพระทั้งเจ็ดองค์นั้นเป็นพระอริยเจ้าหรือเปล่าก็ไม่แน่นอนนักพระอริยเจ้าก็ต้องรับผลกรรมเหมือนกันถ้ามีร่างกายพระเจ้าถามว่าเธอพบกรรมอะไรมาท่านก็เลยบอกว่าก่อนที่จะมาถึงพระพุทธองค์นี้ปรากฏว่าเราต้องค้างระหว่างทางเมื่อตอนเย็นก็พักในถ้า ตอนเช้าออกไปวิญญบาตรพอออกไปวิญญบาตรเสร็จกลับเข้ามาหินใหญ่ก้อนใหญ่เขามาขวางหน้าถ้าปิดหน้าถ้าไม่สามารถจะเอาได้ตอนใช้เวลาทรมานตัวถึงเจดวันหินก้อนดันยิงกลิ้งไปองค์เสดจอมใจปรมศาศดานสัตว์ว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธังหลายหินก้อนใหญ่ที่ลอยมาทับหรือกลิ้งมาทับปากถ้าเตยๆอยู่นั่นเป็นกรรมเก่าของเธอเธอทําไม้ก่อน ในสไัยก่อนก่อนจะเกิดมนุษยสมัยที่เป็นมนุษย์พวกเธอทั้งเจ็ดคนเป็นเด็กเลี้ยงควายใช่ไหมเป็นเด็กเลี้ยงควายเลี้ยงคือว่าเลี้ยงแถบเขาข้างในเจ็ดวันแถบเขาดานโดนเจ็ดวันด้านอีเจ็ดวันคือหญ้าก็าจะงามพอดีใช่หมเจ็ดวันในวัวควายกินหญ้าตอนนี้เตีนแล้วก็ไปทดันโดนเจ็ดวันทันี้ก็ขึ้นใหม่สําหรับกันแบบนั้นมาคราวหนึ่งวันที่เจ็ด พอที่จะย้ายสถานที่วันรุ่งขึ้นจะย้ายสถานที่เลี้ยงควายก็ปรากฏว่าเจอเหี้ยตัวหนึง่งอ้วนพีมากก็ไล่ตีเหี้ยวังจะกินเหี้ยเหี้ยก็เข้าไปอยู่ในโครงมีเข้าโพรงไปเพราะเด็กๆ ก, ก็ไม่สามารถจะจับเหี้ยมันได้เพราะอยู่ในโครงลึกย่ากองอิดบ้างกอนหินบ้างดินบ้างไม้บ้างอุดชูไว้แล้วก็เลี้ยงควายซะด้านโน้นเจ็ดวัน พอกลับมาด้านนี้ก็ได้คำบรรยายว่าเออก่อนที่เราจะไปแล้วกักเหี้ยไว้เหี้ยคนอยู่ในนี้คงไม่ไปไหนไปดูได้วัตถุต่างๆที่บังไว้ก็อยู่ปกติก็เปิดขึ้นมาหวังว่าจะจับเหี้ยเอามากินก็วัดี้เหี้ยเห็นพระปากข้ามเปิด้าคลาเรามากระบอกกระเปยมากพร้อมไม่ได้ซีโครงเด็กเส้นใจคนก็คิดว่าถ้าเราจะกินเหี้ยก็ไม่มีประโยชน์เพราะเนื้อหมดแล้วใช่ไหม มีตัณนหานหุ้มกันดุก็ปล่อยเฮี้ยไปท่านประัตกรรมอันนี้เธออาศัยที่เจอกักที่ยเจวันชาติที่ทั้งทั้งที่เป็นพระก็มาถู ก, กักบริเวณเจวันเช่นเดียวกันก็าเป็นว่าถ้าเรายังเกิดเป็นมนุษย์เพียงใดบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถึงเมื่อเราจะทําบุญทำดีขนาดไหนวันนี้ท่านทานทานทานบารมีนั้นมีทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถวายสงฆทานทถวายกันทุกคนฝันถวายยังว่า ว่านิยังเป็อือนิยั ง, งธรรมทานนี่เป็นปัจจัยเกิดเป็นมหาเสถียรเห็นไหมถ้าพระจะมหาเสถียรก็เป็นมหาเสถียรทานเป็นปัจจัยเกิดเป็นมหาเสถียรคนที่เขาเป็นมหาเสถียรนั้นเขาเทยถวายธรรมทานจะไปว่าเขาว่าชาตินี้ไม่เห็นสบุญไนเลยเลยทำไมยังโดใจนี่ชาติก่อนเขาทําไว้แต่ว่าถ้าเขาไม่ทําต่อผลบุญก็สลายตัวเหมือนกัน ชาติต่อไปจะกลายเป็นคนจนนี่ประการในสองบรรดาแย่โยนทุกคนทาตั้งรักษาศีลให้ฝันศีลยินดบ้านอยู่ตัวเหลือห้าครบศี ล, 5, ลเหลือห้าได้ข้าเจ้าไม่มีเรื่องศีลเหล 3, ือห้ามาเลือสามมาเลือสองมันก็าตามเถอะแต่ว่าเวลาเราสมาทานศีลเรามาทานในความเคารพเห็นไหม ขณะที่จะมาทานศีลสมาทานด้วยความเคารพขณะที่อยู่ในชั่วนั้นเรามีความเคารพในศีลไม่ละเมิดศีลก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลศีลนี้แม้ว่าเราจะรักษาได้สักครัง้งาทีสิบนาทีก็ตามเพราะตั้งใจรักษานะการตั้งใจรักษานี่หมายความว่าสมรรถมดมันคลานมาเราสามารถจะบีได้เราไม่บีในศีลไม่ขาดศีลทรงตัวของที่ก็ลืมไปเราสามารถจะขโมยเอาได้เราไม่ขโมย อันนี้ถือสินส่งตัวอันนี้เป็นต้นเอาแค่นี้ก็เล้วกันนะมันไมคลอมาดีเป็นว่าเรามีความเคารพในศินแม้เมื่อเรามีความเคารพในสินแม้จะใเวลาเล็กน้อยถือเป็นผู้มีสินการที่เป็นผู้มีศินก็มีอานิสงส์ได้อย่างหนึง่งเกิดชาติหน้าเป็นคนได้เมื่อเกิดเป็นคนแล้วก็มีโรคน้อย มีเต็มอายุขไขรูปร่างหน้าตาสวยเขากำลังเขาสิ่งข้อที่หนึ่งกำลังเขาสิ่งข้อที่สองแล้วเกิดมาแล้วมีบ้านไฟไม่ไห ม, ไม้บ้านน้ําไม่โท่วทรัพย์สินลมไม่ทะลมไม่ทําลายทรัพย์สินขโมยกระโจนไม่รักทรัพย์สินสิ่งที่ข้อสิงข้อที่สองอที่สอสิงข้อที่สเรา ม, มีคนในปกครองไม่ดื้อไม่ดันว่าง่ายคอยง่าย อันที่สองสิ่งข้อที่สี่มโสาวาดถ้ารักษาข้อนี้ได้วาจารของเราจะเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์คือมีวาจารเปรติพิษเมื่อใครคุยด้วยฟังด้วยฟังฟังคำพูดก็อยากจะฟังต่อไปคือวาจาร์เปรติพิษพูดอะไรใครก็เชื่อสิ่งข้อที่ห้าถ้าเรรักษาได้ไม้ฟ้ า, าได้น้อยก็าตามได้มากก็าตามนะหนึ่งจะไม่ไปร่วงปวดที่สะ สองอย่างกลางจะไม่เป็นโรคเส้นประสาทสามอย่างหนักจะไม่เป็นโรคบ้าคนที่เป็นโรคปอดที่สาบ่อยๆเนี่ยเคยกินเหล้ามาก่อนจะไม่ดีนะในสิงข้อที 4, ่สี่ปราจาดีสิ่งข้อทห้าไม่เป็นโรคเส้นประสาทไม่เป็นโรคบ้าเกรงความว่าความดีทั้งหมดที่ญาติโยมทําแล้วทุกคนทําแล้วนะพระเจ้าลงท้ายอานิสงส์สิงเล่าสีเลยสุขติเงยียติ คนที่มีศีลไม่ชีติอยู่ก็เป็นสุขตายไปจากชาตินี้ก็เป็นสุขมาที่ไปเทวดาเป็นนางฟ้าเกิดเป็นคนใหม่ก็หนึ่งไม่ยุไม่ชั่นกันตายอยุ่ยินนานสองไม่โรคน้อยสามไรุ่งรางหน้าตาสดสวยสี่ทรัพย์สินไม่สลายตัวห้าคนภายในไม่เดื้อไม่ด้านแล้วก็หกบาจาดีศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรใครก็ชอบเจ็ดไม่ไปโรคเศรษฐ า, ศาศสตร์นี่สุขเกิดยันติชี้เลยะโพกสมมาทา อำนาจของศีลตายใจชาตินี้ไปแล้วกรเเ็นเทวดาและนางฟ้าก็มีที่ประสบบัติมากเกิดเป็นคนก็มีทรัพย์สมบัติมากรวยทีเรตันในปูติงยันติถินเป็นดินแดนแห่งความสงบสามารถเข้าในพานได้โดยง่ายเห็นไหมถิ่นแม่ภาพเพื่นเขาในพานนั่นขอบันดา ย, ย่าโยมพุทธวิสทัทธุท่านจงอย่าคิดว่าเราจะเกิดใหม่ แปลว่าอย่าตั้งใจเกิดใหม่ดูพระเจ็ดองค์ขนาดท่านเป็นพระในสมัยพุทธเจ้าเองสงสัยว่าพระเ็องค์นี้ เ, เป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้ น, ตนพระอริยเจ้าในรับผลกฎขั้งกรรมเดิมเหมือนกันอย่างพระโมคคลาเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มาต้องตกอเวจีมหานรกสิ้นหนึ่งกลับเกิดมาชาติหลังเป็นมหาเป็นอักสาวกเบื้องซ้ายอย่าถูกโจนทุบ ก็ไปว่าถ้ายังมีร่างกายอยู่ไม่มีอะไรดีเรือ่องเขาให้ทุกคนต้องคิดถึงอากินยัญญาเจตนารชาตถให้ทาแก่นี่เรียกอรมณ์ประชานนะอากินยัญญาเจนตนารชาตคือคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเหลือเราเกิดเป็นคนเราก็ต้องตายใหม่คนทุกคนที่เกิดมาทุกคนก็ตายหมดไม่มีใครเหลือสัตว์ทุกตัวก็ตายหมด ประตูธาตุต่างๆก็พังหมดในเมื่อโลกนี้มาเต็มด้วยความพังไม่มีการทรงอย่างนี้ขี้เกี่ยวความสุขไม่มีสําหรับเราในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราต้องการทรัพย์ถินต่างๆเราหามาเกือบตายหาไมา่ได้ความเหนื่อยยากพอตายจากความเป็นคนหมดสิทธิ์ทันทีแม้แต่เป็นผีจะเข้าบ้านยังเข้าไม่ได้เลยเป็นเจ้าของทรัพย์แต่ผีเจ้าของทรัพย์เข้าบ้านยังเข้าไม่ได้นะภูมิเทวดาก็ไม่เข้านะ เดต้องเกาะล้างไข่คในใดคนหนึ่งก็ไปถ้าไม่เกาะล้างไข่คนใดคนหนึ่งก็ไปทําไม่เข้าหรอกไม่มีวัดอื่นจะถวายก็ถวายวัดท่าสุงใช่หลวงพ่อเก็บคนเดียวอยู่คนเดียวก็พ อ, อแล้วครอบครัวทุกคนตั้งใจเพื่อนิพพานโดยเฉพาะถ้าถามว่าถ้าเราตั้งใจเพื่อนิพพานจะไปได้ไหมถ้าทุกคนที่นั่งนี่มีกําลังใจเต็มจริงๆ คำว่ากําลังใจเต็มกระม่ยความว่าตั้งใจด้วยโดยเฉพาะว่าชาตินี้เราขอไป น, นิพพานกลางคือหนึ่งพยายามให้ทานไว้ตามกําลังยิ่งให้ทันมากเกินไปการให้ทันมากเกินไปนี่ไม่ดีเอาแค่พอดีพอดีนะสองพยายามรักษาศีลตามกําลังที่คึงรักษาได้ทานจะเลยภาวนารู้จักตามความเป็นจริงรู้จักว่าเมื่งเราเกิดและต้องแก่ยอมรับต้อถือว่ามันต้องแก่ทุกวัน เราเกิดแล้วต้องป่วยเกิดแล้วต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจเกิดแล้วต้องตายให้ถือว่าทั้งห้าอย่างนี้เป็นของปกติธรรมดาของเราถ้าคิดไปถึงขั้นสุดท้ายว่าถ้าตายคราวนี้ขอตายเป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดต่อไปอีกเพื่อตายนะแล้วขอไปนิพพานก็ตามที่พูดแล้วเมื่อคืนว่าขณะที่เราจะก่อนที่เราจะตายแต่ทุกเวทนามันมากมันไม่สามารถจะเลื่อนเรื่อ ง, งความรักความโลภความโกรธความหลงได้ มันมีเฉพาะทุกขเวทนาตอนนั้นทั้งหมดนั่นแหละครูสนจะเริ่มเข้าครอวามใจการที่เราคิดว่าเราจะไปนิพพานอารมณ์มัจับใจทันทีว่าเ น, นี่ยมเมื่อทุกขเวทนามีอย่างนี้เราจะไม่ต้องการมีเรื่องอะไรเราจะไปนิพพานแค่ทีอารมณิพานเขาจับใจแล้วเมื่ออารมณิพพานจับใจถ้าตายเมื่อไรก็ไปนิพพานเหมือ น, นั้นอันนี้ขอมันจะไปไม่ไหวเนี่ยพูดไปขอรู้เรื่อง ต่อนี้ไปเขามนได้า ย, ยากโยมพุฒิบริษัทหลายตั้งใจสมาทานศีสมาทานป็นกรรมฐ า, าน